พระเกิดเป็นเปรตเพราะทำผิดวินัยในเยือนเดิมรกรากเขาอยู่ที่บ้านชีทวนภายหลังเขาก็มาตั้งหลักฐานอยู่ในเมืองวารินเป็นโยมอุปถัมภ์วัดป่าแสนสาราญเขาจะไปทอดกะถินวัดบ้านเขาเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปด้วยเวลาเดินทางไปทางมันก็ธุระกันดานเป็นทางเกวียนกว่าจะไปถึงก็ตั้งสี่ห้าทุ่ม พอไปถึงก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็หลับนอนกันพอนอนไปตอนตีสี่ตื่นขึ้นมาความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยังขี้เกียจอยู่ก็เลยไม่ลุกนอนกําหนดจิตภาวนาไปพอจิตสว่างขึ้นมาจิตพุ่งไปสู่จุดจุดหนึ่งเป็นกุฏิเก่าเก่าร้า ง, างจะพังแหลมิพังแหลมมองไปเห็นพระองค์หนึ่งสูงยืนจากพื้นเนี่ยโผล่หน้าออกมาจากช่องลม